ตอนบายมีคนมาสัมภาษณ์เพื่อประกอบสารคดีการจาริกบุญนะไปยังประเทศทิเบตจะเรียกว่าประเทศทิเบตนี่คงไม่ถูกนะเพราะว่าทิเบตมันเป็นส่วนหนึ่งของจีนอันนี้เรียกแบบง่ายๆขณะนี้เขาก็ได้ไปจาริกสแสวงบุญไปถึงทิเบตแล้วก็ เดินจาริกรอบเขาไกลลาดเขาไกลลาดีก็เป็นเขาที่สำคัญนะที่คนที่นับถือพุทธศาสนาก็ดีอินโดก็ดีนับถือแล้ว ก, ก็เป็นที่ที่จาริกสวงบุญกันมากมายอยู่ในทิเบตเขาก็เชื่อว่าเขาไกลลาดนี่ก็เป็นขาพระสุมเมน ที่จริงกำหนดเดิมเนี่ยก็จะไปจาริกกับเขาด้วยนะแต่ว่าตลังเขาเลื่อนจากรกรกฎาจากมิถุนาเลื่อนมาเป็นสิงหาก็เลยไปร่วมกับคณะของเขาไม่ได้เอาถ้าไปนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าะจะไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าเพราะว่า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 ก็เขาก็แปลกใจว่าทาไมคนที่เบนนับถือศีลสิบแต่คนไทยนับถือศีลห้าอันนี้หมายถึงชาวพุทธศีลสิบนี่เขาคงจะหมายถึงกุศลกรรมบท10นะิบกายกรรมสามวจีกรรมสี่แล้วก็มโนกรรมสามคนไทยเดี๋ยวนี้นี่ไม่ค่อยรู้แล้วล่ะว่ากุศลกรรมบทสิบนี้คืออะไรแต่ถ้าถามว่าศีลห้าคืออะไรก็ตอบได้จริงถ้าพูดถึงคําสอนที่ เรากดในพระไตรปิดกเนี่ยพระพุทธเจ้าจะพูดถึงศีนสิหรือว่ากุศลกรรมบท10นี่มากกว่าศีหานะถ้าพูดถึงความถี่หรือพูดถึงความการเน้นหนักเนี่ยในพระไทรปิฎกนี่จะพูดถึงกุศลกรรมบท10มากกว่าศีหากุศลกรรมบท10นะอันนี้ก็มันมีความหมายที่ครอบคลุมแล้วก็ลึกกว่าศีหานะ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 แล้วก็เพิ่งหยุดไปเมื่อประมาณหลัง2475เขาก็งงนะแล้วก็บอกเขาต่อไปว่ามันไม่ได้ทํำไกลไหนเลยมันไม่ได้ทําในป่าไม่ได้ทําในอีสานด้วยซ้ําทํากลางกรุงเลยกรุงเทพนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีธรรมเนียมปร่งศพแบบนี้เหมือนกันก็คือหันศพนะทําที่ไหนนะทําที่วัดสเกตภูเขาทอง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 ตั้งแต่อกลงมาเลยเสร็จแล้วก็สับนะสับเนะี่ยแขนขาตัวเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆแล้วก็แล่เนื้อโยนให้หมาโยนให้แรงนะแล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทียี่สบนาทีก็หมดละเพราะว่าเขาแล่เนื้อได้เร็วมาก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 ทันที่แล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นศพไม่มีญาตินะศพไม่มีญาติเลยเพราะสมัยก่อนสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยมันมีหาหาลงเบื่อฮิวาคนก็ล้มตายเป็นเบือ่อก็คิดว่าเขาคงโปรงศพแบบนี้เนี่ยกับพวกศพไม่มีญาติหรือพวกตายเพราะโรคระบาดแต่ที่จริงแล้วนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะศพมีญาตินะอย่างมีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ย หนังสือชื่อจอห์นคลอฟฟอร์ดนี่ก็เป็นที่รู้จักก็ดีในสมัยประกาศที่สองเป็นทูตจากอังกฤษมาทำารท า, ทาการค้าก่อนสมัยจอห์นบาร์ริงจอนบารริงในรัชกาลที่สี่จอห์นคลอฟฟอร์ก็เล่าว่าเนี่ยเขาก็บรรยายเลยนะว่าศพเนี่ยหามมาแล้วมีคนหามมาแล้วก็มีญาติตามมามีญาติก็ประมาณสักยี่สิบสามสิคนแล้วก็มีพระนํามานะ มีพิธีนะไม่ใช่ไม่มีพิธีนะพอมาถึงจุดที่มีแรงเยอะเขาก็วางศพลงแรงนี่มันก็รู้เวลานะแล้วก็มันมันก็มีมารยาทนะมันก็มายืนล้อมเป็นครึ่งวงกลมมันมีระเบียบมากกว่าหมานะหมานี่ยังยังไม่เป็นระเบียบนะแต่แรงนี่เป็นระเบียบมายืนครึ่งวงกลมนะแล้วก็รอจนกระทั่งเนี่ยพอได้เวลาสับเปรย์นี่ก็ จัดการชำระพาศนะคือพาศพราคงรู้นะว่าทายได้เนี่ยก็คือว่าศพไม่มีเสื้อผ้าเลื่อยแล้วก็กรีดท้องกรีดหน้าอกควักเอาเครื่องในตัดไตไ้พุงมาระหว่างนั้นพระก็สวดนะฝรั่งเขาอธิบายละเอียดเลยนะพระนี่มือซ้ายถือตะลประปมือขวาถือไม้ไผ่เนี่ยแตะไว้ที่ศพก็สวดนะคงสวดพิธามนะระหว่างที่ระหว่างที่แร่เนื้อ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 ก็กลายเป็นเรื่องว่าเป็นสิ่งที่ทำกันค่อนข้างจะแพร่หลายพู้คือเป็นธรรมเนียมถ้าถามว่ารัเผาศพแบบสมัยก่อนเนี่ยแบบที่เรารู้จักกันน่คือไม่ต้องพาไม่ต้องแล่นเนื้อนี่มีแม้ก็คงมีนะก็คงมีจับมาตาสังแล้วก็ใส่ลงแล้วก็สวดสองวันสามวันแล้วก็ไปเผาเลย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 ทำบุญแบบนี้กันเยอะนะทำบุญด้วยการอุทิศร่างกายให้เป็นอาหารของสัตว์นะเป็นการทำความดีครั้งสุดท้ายเพราะว่ามันก็มีคาสอนว่าเนี่ยสัตว์เนี่ยเวลาตายมันยังเป็นยังมีประโยชน์นะคือศรภกาสอนอีกกุญชอนอับปรปงเนี่ยนะพวกเราคงจำอของโลกนิกนี้ได้นะคือว่า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 ไม่ได้หวงแหนร่างกายนะไม่เหมือนสมัยนี้หวงแหนร่างกายมากแม้ตายแล้วก็อย่างอยาให้ศพสวยแต่ว่าคนสมัยก่อนนี่เอาเลยนะแจกทาอุทิศร่างกายให้เป็นทานสัรพสัตศพนะนี่ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าทั้งสิ้นนะนะเกลือนะมันจะได้ผ่าสะดวกเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีซึ่ง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 มีความเป็นมามาจากชาวดกระหว่างนั้เพราะชาวดกของขอ ง, ของเราเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบนี้อยู่แต่ไม่ใช่อุทิท่างกายตอนตายนะอุทิศร่างกายตอนมีชีวิตอยู่อย่างที่เคยเล่าว่ามีสมัยที่พระเจ้าเป็นพระพ ธ, ธิสัตว์เป็นดาบทบําเพ็นบารมีอยู่ทูดงในป่ากับลูกศิษย์ก็เห็นแม่เสือเสือแม่ลูกอ่อนมันหิวโซเลยมันออกลูกมามันหิวมาก มันก็เลยทํำท่าจะกินลูกมันดาบ ท, ท่านนี้ก็สงสารก็เลยบอกให้ลูกสิษย์ไปหาอาหารมาแต่ลูกสิธิ์ไปหาอาหารแล้วไปไกลเลยนะไม่กลับมาสักทีเสือนี่มันก็กำลังจะขยําลูกท่านก็สงสารอยากจะช่วยชีวิตลูกเสื อ, อไว้ท่านทํำยังไงท่านก็โดดลงไปเนะโ ด, ดลงไปให้เสือกินเป็นการบําเพ็ญนะ ปรมัธบารมีเลยนะทานบารมีขั้นปรามัดก็คือว่าอุทิศร่างกายนะไม่ใช่แค่อุทิศแค่ทรัพสมบัติหรือว่าอวัยวะนั่ยแต่อุทิศร่างกายอันนี้ก็เป็นไม่ถือเป็นการฆ่าตัวตายนะถือว่าเป็นการบำเพ็ญทานแบบหนึ่งเพราะว่าเจ ต, ตนานี้ก็ไม่ได้มีความลังเกียจชีวิตนะเพียงแต่ว่าต้องการช่วยชีวิตของอลูกเสือเอาไว้ ก็เลยอาจจะเป็นที่มาของประเพณีการอุทิศร่างอุทิศเนื้อหนังบางสาให้กับสิงสารสัตว์นะเวลาสิ้นลมนะก็แต่ว่ามันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็อธิบายเขาฟังนะแต่ไม่ได้ละเอียดขนาดนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ที่เบรดทาเนี่ยคนไทยก็กทําเหมือนกันมันเป็นประเพณีร่วมกันของชาวพุทธ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 มาให้มาทอดพระโมกข์กุลมันก็ทั้งเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้มีสาระอะไรเท่าไหร่ <c oughs> มีเพื่อนนี่เขาเพิ่ง ท, ทําหนังสือเรื่องฉลาดทําศพเสร็จนะเอามาให้ดูเอามา้เขียคำนคํานํำนะฉลาดทําศพมีฉลาดทําบุญก็แล้วมีฉลาดทําใจก็แล้วนต้องมีฉลาดทําศพมั้งแล้วก็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 เออเราจะอยากให้งานศพของเราเป็นอย่างไรนะอย่างหลงพ่อท่านก็มีเวลาที่จะคิดนะเกี่ยวเรื่องงานศพแล้วก็บันทึกไว้เป็นลายละักอักษรว่าจะจัดงานศพอย่างไรซึ่งก็ทําให้สะดวกกับพวกผู้สิษิลูกหามากนะเพราะว่าท่านระบุไว้ชัดว่าไม่ต้องมีพิธีอะไรมากนะมีแค่แสดงธรรมมี สวดบนแปลแล้วก็แสดงธรรมวันหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งก็เป็นอนยุติได้อันนี้ก็ทำให้ง่ายต่อลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ทำให้ไม่สิ้นเปลืองด้วยเพราะว่าเป็นเป็นพิธีกรรมที่เจ็บง่ายบุงที่ศาสนธรรมมากกว่าศาสนพิธีแลพวกเรานี้ก็ต้องต้องคิดกับเรื่องนี้ ว่าก่อนจะตายเนี่ยเราจะอยากจะให้งานศพของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเราไม่คิดนะมันก็จะทำตามแฟชั่นเหมือนกับที่ใครๆก็ทำกันส่วนห้าวันเจ็ดวันน่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนนะเขาก็อาวางแผนเอาไว้ตเตรียมมาไว้ว่างงานศพของตัวเองจะเป็นอย่างไรนะ เช่นจัดให้มีปฏิบัติธรรมในระหว่างงานศพนะเพราะว่าศพจะตั้งที่บ้านบ้านนี้ก็มีที่มีทางปฏิบัติธรรมได้บางท่านก็บอกว่าเนี่ยจะจัดให้มีการปฏิบัติธรรมจาะจงเลยนะว่าเผชิญความตายสงบนะให้มาพิจารณาศพของตัวเนี่ยเป็นเครื่องเจริญอภัปปมธธรรมไปด้วยในตัวนะนอกจากปฏิบัติธรรมทั่วไปแล้วก็มาพิจารณา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 ด้พิจารณ า, าสุภากรรมฐานไปด้วยนะก็มีคนเข้าคิวนะมีคนเข้าคิวแล้วมีคนหาโอกาสนี่เหมือนกันเพราะว่าอยากจะฝึกนะกรรมฐานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็พูดเรื่องนี้เอาไว้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เคยได้ยินทนั้งที่มันก็เป็นสิ่งที่มีทากันมานานแต่ว่ามัน ไม่มีการกล่าวถึงคนเราก็เลยนึกว่าอ๋อมันไม่มันมีแต่เฉพาะไอ้แร่เนื้ออหั่นศพแร่เนื้อให้สัตว์นี่มีแต่เฉพาะที่เบสนะของเราก็มีนะแล้วก็มีกลางกรุงเลยนะกลางพระนครเลยจนกระทั่งเมื่อทั้งแปดสิบปีมานี้เองนะไม่ไม่ไม่ไกลเลยอันนี้ก็เราไปเกล็ดคำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้กราบพระ